พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่1 9ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าพระวินนยแทนองค์พระาศาสดาเมื่อวานกับคูบาโอก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อนะ ข อ, อนิสัยตามพระวินัยหลวงพ่ออธิบายเรื่องวิญัยให้ฟังเรื่องวิญัยของพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือศินหรือวินัยเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายมันอิงกันกฎหมายวินัยอิงกันทําไมจึงอิงกันหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังสิกขาบทหนึ่งที่เป็นปาราชิกนะคือโทษประหาร ก็มาโทษประหารคํานี่เนะี่ยคือขาดจากการเป็นพระเมื่อขาดจากการเป็นพระแล้วศึกออกไปอีกมาบทอีกไม่เป็นพระอีกแปลว่าไม่เป็นพระตลอดทั้งชีวิตถ้าทําถ้าทําไปแล้วนี่ว่าโทษประหารแต่นี้ก็มีพระมีซึคล้าบทหนึ่งภิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ด้วยราคาห้ามาศกตองปารลชิคขาดจาการเป็นพระห้ามาศกนั้นเท่าไหร่ทุกวันนี่ก็เท่ากันหนึ่งบาทมาศ ก, ก็แค่ว่าเป็นชะตังหรืออะไรลักษณะเฉลึงอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็มารวมกันก็เท่ากันกันหนึ่งบาทพระใ น, ระ พ, น พ, ระพระพุทธศาสนาพระเมืองไทยพระพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าองค์ไหนไปขโมยสิ่งของเขาโดยเจ้าของเขาไม่ได้ให้ อไปขโมยเขาเพียงราคาหนึ่งบาทขาดจากการเป็นพระฮพอขาดแล้วท่นี้จะบวชอีกก็ไม่ได้อสึกออกไปกลับมาบวชอีกก็ไม่เป็นพระเหมือนกับต้นมะพร้าวต้นนั้นอะมะพร้าวเนี่ยมันยอดยอดขาดมันล้มปัดล่นเปล่าแล้วยอดขาดนะเพราะยอดขาดแล้วมันเป็นม ะ, มะพร้าวยอดด้วนต้นตาญยอดด้วน มันมีแต่เน่าเอ้ยมันเน่าอยู่นี่เราขุดไปที่ไปปลูกที่อื่นอีกถึงจะไปปลูกที่อื่นก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นต้นอีกเพราะมันยอดมันขาดอันนี้อาลปาบัตปาราชิกก็ลักษณะอย่างนั้นลหละอันนี้ก็คือพวินัยแต่ที่มาพูดเกี่ยวกับว่าพิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศคืออะไรคือพระในครั้งพุทธกาล ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะสากยับุตรนะกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านไปตั้งไปสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งแต่ท่านก็จะสร้างเป็นสร้างศาลาทางที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์จากนั้นท่านก็พระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคฤห์คือพระเจ้าพิมพิสารนะท่านได้สวยราช เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่ท่านจะสวยราดท่านประกาศว่าเหมือนข้าพเจ้าแผ่นดินในหลวงของเราประกาศอย่างนั้นอ่ะเราจะปกครองโดยธรรมเราจะบริหารและปกครองประเทศชาติโดยธรรมอย่างนั้นแหละในพระเจ้าพิมพิสารก็ประกาศอย่างนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าข้าพเจ้าขึ้นครองราด ดินก็ดีน้ำก็ดีต้นไม้วัชพืชเกิดในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมอบให้แก่สมณะผู้ทรงศีลให้ได้ใช้สอยร่วมกันให้ได้ใชสอยร่วมกันข้าพเจ้ามอบให้แก่สมณะผู้ทรงศีลอันนี้คือท่านประกาศวันวันที่ขึ้นครองราชนจากนั้นก็พระเจ้าแผ่นดินก็ครองราชเรื่อยๆแต่นี้พระ ลกษิษพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระสงฆ์น่ทั้งไปสร้างวัดพอสร้างวัดคือมาก็จะสร้างศาลาเนี่ยพอสร้างศาลากะหาไม้ที่ไห น, นไม่ได้ครับไปที่โรงไม้ของพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินโรงไม้ค้าเขาเป็นคลังเป็นคลังของไม้สมัยนั้นเขาสร้างบ้านเขาก็ต้องมีไม้บางทีกับต้นพารศาศ์สัดลาดจำลองเทียนที่ไหนมันจำรุดทุดชมก็จะเอาไม้มา ซ่อมลักษณะอย่างนั้นก็เลยเป็นคลังไม้ของของของประเทศโดวยเฉพาของสำนักพระราชวังท่านี้ก็มีคนเฝ้าอยู่ที่นั่นแตนี้พระ อ, องค์นี้ก็เข้าไปเข้าไปขอนาโยมอาตมาขอไม้ไปสร้างที่พักของพระสงฆ์พระสงฆ์ไอ้พูดเฝ้าไม้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นไม้หลวงนะเป็นไม้พระเจ้าแผ่นดินเออพระเจ้าแผ่นดินก็เถอะ พรพระเจ้าแผ่ดินอนุญาตแล้วเนี่ยอาตมาอพระเจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วอาตมามาขอเนี่ยก็มาเอาไปใช้ท่านได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินนั่นเหรอเออโยมอถ้าท่านได้รับอนุญาตผมก็ไม่ว่าละเอาไปได้คนที่เฝ้าคลังไม้นะเขก็ให้ไปให้ไปให้ไปพาดมันมันไปเรื่อยทตเนี่ยผู้สร้างเนี่ยความคิดของตัวเองไงว่า เฮเหมือนกระสมพานทุกวันเลยพอสร้างไปสร้างไม้ไปเลวก็ลามไปเรื่อยบานไปลายไปเรื่อยเลยกบมดไม้ไปเยอะพอสมควรทีนี้พระเจ้าพิมพิสารนั้นก็อยากจะซ่อมอยากจะซ่อมพระราชวังของท่านท่านก็เดินไปดูลางไม้มีไม้อะไรบ้างที่จะนำมาใช้พอเข้าไปไปเห็นไม้มันพองท่เนี่ยเออมันหมดหมดไปมากพอสมควรท่านก็เลยถาม คนที่เฝ้าคลังไม้นะ่ะฮะไม้มันไปไหนคนที่เข้าเฝ้าคลังก็บอกว่ามีพระสัมมสาสักายบุตรลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านมาขอท่านมาเอาไปเอาไปเอ้าทาไมทำไมจึงให้ไปละ่ะทำไมจึงอนุ ญ, ญาตให้ไปเมื่นไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนในฟังใน เจ้าผู้เฝ้าคลังไม้นั้นก็บอกว่าพระสงฆ์ท่านบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ประทานให้ท่านแล้วมอบให้ท่านแล้วท่านได้ขอจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านจึงมาขอจากที่นี่พระเจ้าพิมพิสารก็งงแตกเหมือนกันเลยท่านก็ออมเรามีภาระมากมีกิจธุระมากเราอาจจะลืมก็ได้แต่เราก็ไม่จังละลึกไม่ได้ว่า เราได้อนุญาตเมื่อไหรแต่เขาเถอะเอาต่อไปนีหยุดนะหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะนิมนต์พระคุณท่านมาหาเราก่อนเราจะถามว่าเราอนุญาตเมื่อไรเราจะพูดไปเลยก็ไม่ได้เพราะเรามีภาระมากเราอาจจะลืมก็ได้เมื่อเราพูดไปแล้วนะไปเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันท่านมีเหตุผลใจเย็นนะจากนั้นท่านก็ เรียกพระองค์นั้นเข้ามานี่มนพระองค์นั้นเขามามาถึงแล้วท่านก็ถามว่าพระคุณท่านโยมอนุญาตให้เมื่อไรที่พระคุณท่านเอาไม้ไปสร้างศาลาอะไปสร้างที่พักของท่าน่ะโยมลังยังระลึกไม่ได้ว่าโยมพูดเมื่อไหร่ทบทวนให้ให้ให้โยมฟังดูซิพระองค์นั้นก็เนี่ยแหละบอกเมื่อพระองค์ ขึ้นคลองราดวันแรกได้ประกาศในการคลองลาดของพระองค์บอกว่าน้ําก็ดีดินก็ดีไม้หรือวัตถุพืชก็ดีเกิดในแผ่นดินของของเราเราจะมอบให้แก่ให้แก่สำนัอผู้ทรงศีลได้ใช้ร่วมกันข้าพเจ้าจะถวายแก่สมณะผู้ทรงศีล ใช้ร่วมกันนี่แหละอัตมาก็เห็นว่ามหาปพิธได้ถวายอัตมาแล้วอัตมาก็เอามาใช้พระเจ้าพิมพิสารนะ่นก็เลยบอกว่าท่านพระคุณท่านสังเกตฟังให้ชัดดูซสีว่าส ม, มณะผู้ทรงศีลแต่ท่านนี่คงจะไม่มีศีลจึงมาเอาไม้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตไม้นี้ผม ผมเตรียมมาไว้เพื่อจะสร้างพระราชวังแต่นี้ท่านเอาไปเลยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราคำว่าไม้คำนี้คืออะไระไม้ที่มันเกิดที่ไหนอย่างไรอันนี้ท่านมาเอาจากที่นี่ไปท่านทําให้ถูกต้องนะเอาเถอะเมื่อท่านทําให้ถูกแล้วก็จบไปต่อไปอย่าทําอีกถ้าทําอีกต่อไปคราวหน้านี่ยต้องโทษหนักเฮ้ขาดโทษด้วยอีกจากนั้นก็ไม่ไม่เอาโทษกับพระองค์นั้น ตอนี้คำพูดของพระเจ้าแผ่นดินมันกระดังไปเหมือนกับวิทยุโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยดังไปทุกแห่งหนจากนั้นพอไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายกเป็นเหตุท่านก็เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์พร้อมกันแล้วก็ท่านก็ตั้งคําถามขึ้นมาถามพิพากษาอายการทนายความที่เป็นนักกฎหมายของประเทศกรุงราชคือในยุคสมัยนั้น พ่อเป็นสารตรุราการผู้ใหญ่ก็มีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในเป็นศิษย์ญาติศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ถามวันนี้นะคําว่าโทษประหารนี่ขนาดไหนจึงว่โทษประหารขโมยขนาดไหนทําอะไรจึงว่โทษประหารตรุลาการศาลก็บอกว่าแผ่นกฎหมายของกรุงราชจะคือขนาดนี้ขนาดนี้เวลานี้เนะี่ย จะใครก็ตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศคือหนึ่งบาทห้ามาศเท่ากับหนึ่งบาทโทษประหารคือตัดคอเลยโอ้แสดงว่ากฎหมายเขาเหี้ยมมากในะสมัยนั้นอะ่ะไม่ใช่ธรรมดาแต่นี้ก็พระพุทธองค์ก็เออเอาระวนัยของเราก็เหมือนกัน กฎศีลและวินัยของเราเหมือนกันพิกษุใดก็ตามเอ่อขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปต้องปาราชิกนะอันนี้เราหลวงพ่อว่าวินัยของพระพุทธศาสนากับกฎหมายอิงกัน อ, อ่อิงกันคล้ายๆว่าอืมวินัยก็คือบัญญัติพระสงฆ์ที่ทำไม่ถูกต้องแต่องค์ไหนที่เป็นต้นบัญญัติ ไม่เอามาลงโทษนะเพราะว่าเป็นต้นบัญญักยผ่านไปแต่องค์ที่สองทำอย่างที่องค์ก่อนไม่ได้ไปวักขาดจากการเป็นพระทันทีเนี่ยปาลาชิกเนี่ยอันนี้ก็คือพระวินยัยในหลักพระวินยัยถ้าหาว่าเราไม่รู้จะเป็นอาบัติไหมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตมีหกอย่าง อาการที่พิกจุจะต้องอาบัตมีหกอย่างต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วคืนทมลงหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ที่ควรหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งลืมสติก็เป็นอาบัตเหมือนกันนะ เพราะอะไรเพราะถ้าว่าค่าลืมลืมสติเฮะเขาเป็นยกโทษไปไม่เป็นอาบัติต่อไปก็เลยลืมสติไปเรื่อยๆทีนี่ก็เลยไม่มีการใส่ใจในเรื่องศิลและวินัยของตนเองลืมสติอยู่เรื่อยมันก็เลยหากฎเกณฑ์ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นลืมสติก็เป็นอาบัติเหมือนกันไม่ละอายก็เป็นอาบัติไม่รู้สิ่งว่าเป็นอาบัติก็เป็นอาบัติทําไมผมไม่รู้่ะถ้าไม่รู้ต้องศึกษา ไม่รู้เฉยเฉยได้ยังไงใครเข้ามาอยากจะรู้เพราะโทษเนี่ยผมไม่รู้กฎหมายเออผมไม่รู้กฎหมายครับจะเอาโทษผมได้ยงไงผมไม่รู้กฎหมายไม่รู้คุณก็ต้องรู้เพราะคุณอยู่ในประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องเรียนรู้ให้รู้เรื่องเกี่ยวกับวิในจะว่าปฏิเสธว่ามไม่รู้ไม่ได้นี่แหละอาการที่พิสุตตองอาบัตมีหกอย่างในพระวิยัย สรุปแล้วก็คือศีลและวินัยก็คือกฎคือกฎคือกฎหมายกฎหมายของพระได้จะว่าอย่างนั้นก็ได้กฎหมายพระคือศีลนย อ, อย่างพิกษุแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายต้องปาราชิกเนะี่ยขาดจากการเป็นพระอีกข้อหนึ่งแกล้งแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์คือเจตนาน่ยถ้าไม่เจตนานะไม่เป็นอบัติเป็นอยูแต่เป็นอบัติเล็กน้อยนะอย่างเรา ฟันขวานฟันมีดอะไรเขาตามพอฟันไปแล้วมันหลุดมันหลุดด้ามเลยไปตัดเส้นเลือดไปตัดคออกนั้นองค์ที่อยูนะ่จะเป็นคนก็ตามจะเป็นใครก็ตามมันอยู่ตรงหน้ามันตัดคอขาดนะไม่เป็นอาบัตแต่ว่าเป็นอาบัตทุกกฎไม่ใช่อาบัตปาราชิกเพราะไม่มีเจตนานะ ถ้าไม่เจตนาแนละ้วขาดจากการเป็นพระแต่ไม่ไม่เจตนาเนี่ยทําไปแต่มันหลุดไปมันไปเสียบที่เส้นเลือดใหญ่บริ ใ, ใต้เลยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นอบัติทุกกฎขาดความรอบครอบไม่ใส่ใจแต่จะให้เป็นปาราชิกไม่เป็นนะไม่เป็นโทษเพราะไม่มีเจตนาเนี่ยนี่แหละเจตนาถ้าว่าเจตนาเข้าไปแล้วเนี่ยก็ว่าฆ่าคํานี้เนี่ยถึง ลูกของเขาอยู่ในท้องแม่ของเขาเนี่ยแต่เป็น เ, เขาตั้งคันขึ้นมาแล้วทำยาไปฆ่าคันเขาเป็นอาบัตไหมในหลักพวินัยบอกเป็นเพราะเจตนาฆ่าถึงจะลูกในท้องก็เถอะเป็นอาบัตปาราชิกเหมือนกันเ อ, อีถึงจะออกมาแล้วก็ฆ่าแต่ตัวเองไม่ได้ฆ่าเองนะจ้างมือปืนไปฆ่านะ่ะเป็นไหมเป็ น, เ, ปนเจตนาฆ่าแต่ว่ามีจุดหนึ่งหลวงพ่อว่านะ ในพวินัยจุดหนึ่งจุดหนึ่งบอกเจ้าจงเต้าเจ้าต้องไปฆ่าคนนั้นนะตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงวันนะต้องยืนตอนพระอาทิตย์ตรงหัวพอดีนะเจ้าฆ่านะเจ้าจะไปฆ่าเวลาอื่นนะแต่คนนั้นจะไปฆ่าได้อย่างไรมันตรงนั้นใช่ไหมล่ะบางทีมันก็ตอนบ่ายตอนที่เขาเผอหาได้ก็ฆ่าเขาเนะี่ย ว่าฆ่าเขาเนี่ยองที่สั่งไปเนี่ยไม่เป็นอาบัติเนี่ยจุดนี้จุดนี้จุดนี้มันน่าคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะมันเป็นทางออกของกฎหมายอีกเหมือนกันบอกองค์นี้บอกว่าอา้าวข้าพรเจ้าบอกให้ท่านฆ่าตอนเที่ยงนะ่ะเนี่ยคุณไปฆ่าตอนบ่ายเนี่ยฆ่าไม่รับผิดชอบผิดเวลาของฆ่าที่ฆ่าสั่งฮนไะยอันนี้คือพระวินัยจุดหนึ่งก็น่าคิดอีกเหมือนกันแต่กฎหมายจุดนี้คงไม่มีนะคือว่าฆ่าก็คือฆ่าแหละ ต้องโทษนะยังไม่ได้ถามท่านพิพากษาดูแต่อันนี้คือพวินัยหลวงพ่ออ่านแล้วพงศ์ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันไม่น่าจะเป็นออกมาลักษณะนี้คือเจตนาฆ่าก็คือฆ่าแต่ท่านบอกว่าเราเจตนาให้ฆ่าเวลานั้นแต่พอเขาไปฆ่าเวลาอื่นนะเพราะเวลาอื่นเราอาจจะกลับใจแล้วก็ได้ไม่น่าเขาไม่ไม่น่าฆ่าในช่วงนั้นเอาฆ่าแต่พอผิดเวลาไม่น่าฆ่าเขาน่าเพรผิดเวลา อาจจะอาจจะเจตนาตัวนี้อาจจะผิดไปก็ได้เอันนี้ก็คือพระวินัยเป็นเครื่องเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเนะพราะนั้นพวกพระที่จะอยู่ดำงรงสงศน์ศาสนาต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อวนนันนาศึกษานะให้รู้จักระเบียบวินยัยวินัยของพระสงฆ์วินัยของตนเองอย่าไปไม่ใช่ว่าข้าไปเจ้ามีศินสองรอยี่สบเจ็ด สองรอยยีิบเจ็ดมีอะไรบ้างอธิบายพออธิบายให้ผมฟังได้ไหมก็ไม่รู้อะไรเออเลย เ, เพียงแต่ว่าได้สินเท่านั้นเองเหมือนกับเราข้าไปเจ้ามีวัวอยู่สองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวสีอะไรบ้างาก็ไม่สามารถที่จะชักใจได้เลี้ยงให้เขาฟังได้วัวสองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนะมีอะไรมีตัวไหนบ้างเอ ตัวผู้ตัวเมียเขาสั้นเขายาวอธิบายให้เขาฟังได้ไหมไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของวัวเนี่ยซื่อบื้อนะเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้เป็นพระผู้ทรงศีลต้องตรวจตราอ่านอยู่เสมอคน้นคว้าไว้อยู่เสมอเรื่องวินัยนี่แหละขอให้พระใหม่พระเก่าทั้งหลายนะจนพระใหม่ก็อย่างว่าเข้ามาศึกษาแล้วจะไปอ่านแต่วินัยก็ไม่ได้ให้เล่ยงเรื่องธรรมมากกว่านะเรื่องวินัยเอาไว้ ให้ฟังให้ฟังครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์แนะนํำยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นถ้าเราสงสัยเราก็ค่อยดูเป็นข้ อ, ข, อ, ข, อข้อไปเพราะเพราะวินัยมันเป็นเรื่องหยาบมันอยู่ในตํำรับธรรมรามันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วพร้อมที่จะค้นได้แต่เรื่องธรรมเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเนี่ยอันนี้มันเรื่องละเอียดทีเนี่ยเราคิดยังไงเป็นกิเลสคิดยังไงเป็นธรรมคิดยังไงจึงจะเป็น สัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจุดนี้ของเราต้องดูดูดูการเคลื่อนไหวของใจแต่ตามไม่จริงวิในทั้งหลายทั้งปวงนั่อมันออกไปจากใจทั้งหมดเพระในครั้งพุทธการอย่างกูบาโอเนี <c> ่ย <oughs> พอบวชเข้ามาแล้วบวชใหม่พอบวชใหม่ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนทีแรกท่านก็สอนเรื่องธรรม ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วก็ชื่นใจพอไปหาอาจารย์อีกพระอาจารย์สอนวินัยเนี่ยสิกขาบทนั้นผิดสิกขาบทนี้ถูกสิกนั้นไม่ควรทําสิกที่ขบทมีควรทําตายตายตายตายตพระผมรักษาศีลได้ยังไงทั้งสองอยี่สิบเจ็อสิกิสมาจารย์อีกเป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นสิกขาบทผมจะรักษาได้ยังไงโอไม่ได้ไม่ไผมจะลาสิกเตี้ยวนี่แล้ว ถ้าขืนอยู่ไปผมก็จะเป็นบาปกินข้าวชาวบ้านเขาไม่มีศีลเพราะผาพั บ, พบทําผิดศีลผมขอสึกเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์พา อ, อาจารย์เอองงเหรอจะเอาอยัางไงพวินัยก็ไม่ใช่พวินัยของอาจารย์เป็นวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าคนมาทําอย่างนี้พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยพอบวชเรามาแล้วกรสึกบวชเข้ามาแล้วกรสึกพอรักษาพวินัยไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรย เราควนจะนําพาพระใหม่ไปกราบพระพุทธเจ้านะีก็ได้นําพระใหม่ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระองค์นั้นก็บอกว่ากระผมทีแรกก็เป็นโยมรักษาให้ทานพระพระผู้พระคุณเจ้าถอนสอนให้ทานกระผมก็ยินดีในการทําทานรู้จักอบอุ่นจิตใจเมื่อได้ทําบุญทําทาน บอกวให้รักษาสินห้านะก็ผมก็ยินดีที่รักษาสินหเออไม่เบียดเบียนชึ้งกันละกันนี่นึกถึกอบอุ่นทางด้านจิตใจจิตใจมีที่พึ่งต่อมารักษาศิน8ดเออเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินแก่รับแก่นอนแก่ที่ฟังร้องลําทําเพลงผมก็ยินดีรักษาสินแปดท่านก็ถามว่าจะให้ผมทําบุญมากกว่านี้จะทําไหมให้บวชผมก็เลยมาบวชอยากได้บุญมาก่ พอมาบวชแล้วทีนี้โอ้เหมือนกับมาเข้าไ อ, อ, อ้ตารางก็ยังไม่ปานเนี่ยมัดแข้งมัดขาอีกทางหากทีนี้ผมอึดอัดมากผมฟังวินัยของของพระคุณท่านอธิบายแล้วก็ผมก็เลยอยากจะซึ้อพระเจ้าขา่ามันพระพุทธองค์บอกว่าเธอรักษามากอย่างนั้นใช่ไหมในความรู้สึกของเธอว่ามันมากอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าขา่าถ้ารักษาอันเดียวนี่นได้ไหม อืถ้า ร, รักษาอันเดียวเนี่ยถึงจะยากขนาดไหนข้าพระองค์ก็จะ ร, รักษาได้เพราะอันเดียวเนี่ยถ้ามันหลายรนะักษายากกับผมถ้าอัน ร, รักษาอันเดียวข้าพระองค์จะรักษาได้อันเดียวเอ อ, เ อ, อเอาเอารักษาอันเดียวก็พอๆนะไม่ต้องรักษามากหรอกรักษาใจเท่านั้ น, นทีนะ่ะเออให้อยู่กับกรรมฐาในใดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ถูกเอออย่าทำสิสิ่งไหนที่มันจะ ทำให้ตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอย่าพูดอ ย, า ย, ายา่าพูดอย่าทะให้ดูใจตัวเองเท่านั้นพอละอย่าปล่อยออกมาทางกายทางวาจาให้ดูใจตลอดนะเอาเท่านี้ละพอไม่ต้องรักษามากเรารักษาศีลรักษาใจอันเดียวเท่านั้นละพ่อนะครับผมพนระพุทธเจ้าฉลาดไหมพวกเราว่านะรักษาใจถ้าว่ารักษาใจดีแล้ว ใจเป็นหลักแล้วมันจะไปไปทําทางกายได้ยังไงไปพูดวาจาได้ยังไง ร, รักษาใจพอที่จุดพระองค์นั้นท่านก็ไม่นานท่านรักษาใจของท่านตลอดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์เนี่ยนี่แหละพระในครั้งพุทธกาลกับพระในสมัยนั้นมีนะนะในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นนี่ที่ ผ, ผ่านมาเป็นพระวินยัยเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานํามา คิดนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วกม็มีเหตุมีผลด้วยกันสินและวินยัยกฎหมายเคียงคู่กัน